เรื่องพราหมณ์บวชเพราะเห็นแก่ปากท้องข้อ73สมัยนั้นประชาชนในกรุงราชครืดได้จัดลำดับพระทหารอันประนีตไว้พราหมณ์คนหนึ่งมีความคิดว่าพระสมณะเชื้อสายสกยบุตรเหล่านี้มีลักษณะนิสัยดีประพฤติเรียบร้อยบริโภคอาหารดีนอนในห้องมิดชิดถ้ากระไรเราพึงบวชในพวกสมณะเชื้อสายสกยบุตร ต่อมาจึงเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาภิกษุทั้งหลายได้ให้บรรพชาอุปสมบทขันเข่าบวชแล้วลำดับพัฒนหารได้ล้มเลิกไปภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าท่านมาเถิดบัดนี้พวกเราจักไปบินทบาทกันภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าผมไม่ได้บวชเพราะเหตุนี้ว่าจากเที่ยวบิณทบาทถ้าท่านทั้งหลายถวายผมผมจากฉัน ถ้าไม่ถวายผมผมจะสึกขอรับภิกษุทั้งหลายจึงถามว่าอาวุโสก็ท่านบวชเพราะเหตุแห่งปากท้องหรือท่านตอบว่าใช่ขอรับบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉไหนภิกษุจึงได้บวชในพระธรรมวินัยอันพระผู้มีพระภาคตรัสไวด้ดีอย่างนี้เพราะเหตุแห่งปากท้องเล่า แล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุนั้นว่าภิกษุทราบว่าเธอบวชเพราะเหตุแห่งปากท้องหรือภิกษุนั้นทูล ร, รับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตรมหนีว่าโมฆาบุรุษฉะนั้นเธอจึงได้บวชในธรรมวินัยที่เรากลา่าวไว้ดีอย่างนี้เพราะเหตุแห่งปากท้องเล่าโมฆาบุรุษ